ในการปฏิบัติธรรมก็พอจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมปัญหาปัญญาอะไรต่างๆมันเกิดที่ใดมันไม่มีที่ใดพอจะรวบรวมมาพูดส่วงฟั ง, ฟงเพื่อการต่อยอดให้กับผู้ปฏิบัตินั่นเองการวิธีเรียน น, น, นั่นแคนิดเดียวการฟังธรรมเนี่ยผูคปฏิบัติเนี่ยก็หย่าไป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 เราปฏิบัติไปจเจริญสติไปมีสติเป็นตัวยั่งยืนเป็นฐานไว้มันอาจจะได้คำตอบโดยต้องไม่ถามครูบาอาจารย์ก็ได้มีเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเกิดกับตัวเองไม่รู้จะถามใครหลวงพ่อเทียนก็ไม่อยู่บางครั้งเราอยู่คนเดียวบางครั้งเราอยู่กับหม ก็เอาความเพียรบูกเบิกไปก่อนมีสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นกับรู้ไว้ก่อนเอาตัวรู้เฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทำไปวันสองวมันก็ได้คำตอบออกมาไม่ต้องถามครูาอาจารย์เลยประสบกา ร, รณ์หมดเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากคู้อื่นถามคนอื่น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 ก็อย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันนิมิตไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกคนปิติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนปจัจธิก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนก็เลื่องปัญญาเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านนิมิตอะไรต่างๆรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปคล้องแวะอะไรอย่าเอ้ยเราไม่ทาไมไม่เป็นเหมือนท่านบางทีอยากให้เป็นบางทีไม่ต้องเราไปเลยมีสติสัญญะ ต่อไปต่อยอดไปเลยไม่ต้องมามองหน้ามองหลังอะไรวันไปได้แล้วมีสติก็ไปได้แล้วเมื่อมเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้มากจนยั่งมายู่ดินจะคงกอเดินแสดงทถอนั่งสร้างจั๋วะก็แสดงไม่เ่หลังไหลออกมาในยานในปัญญาต่างๆ ถ้าเราไปเป็นผู้รู้ก็หุ่มไปในใจในความรู้ที่เราเห็นเราพบเห็นนั้นมากเข้าไม่มีสติเผลนไปกับความรู้มันก็กลายเป็นวิปจโนเสียเวลาไปบางทีก็บางคนก็อดไม่ได้ไปสแสดงมันไม่ยงิงความรู้ที่เป็นวิปจโนมันหมดเป็นเมื่อมันหมดเราตั้ ง, ต, งตั้งต้นใหม่บางคนก็เสียใจ เียดายให้มันเป็นวิศัสสุนเฉยๆไม่ใช่เรื่องปัญญาอันเกิดจากเหตุผลต่างๆในการทำความผยงของเรามันเกิดขึ้นบางทีก็ไม่มีความรู้อะไรเลยก็อย่าไปหาความรู้ที่มันเกิดจากอะไรต่างๆมากมายเอาสติไปก่อนมีสติไปก่อน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 เหตุผลของมันคือตัวหลงแทำไมจึงหลงล่ะถ้าจะถามว่าเพราะไม่มีความรู้ทาไมจึงไม่มีความรู้หล่ะเพราะไม่ได้ประกอบขึ้นมาทําไมไม่ประกอบเพราะเพราหาเวลาไม่ก็มันก็อยู่ไปไมันก็อยู่กับตัวเราเวลามันหลงไปหาเวลารตรงไหนก็ปลอมันตรงนั้นเลยเพราะมันหลงกว่ารู้ทันทีเย้ไหม <laughs> ไม่ต้องทําไมทไมํามา พอมหลงกรู้ทันทีอ่ามันรู้เวลามันหลงไม่ประโยชน์พอมหลงก็ถูกปราบลงแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้งที่สามเหมือนรถแท็กเตอร์ปราบทางขึ้นเขารอบหนึ่งรอบสองร อ, ส, อ, งรอสา ม, มก็กายเป็นทางเรียบคนก็เดินได้รถสี่ล้หกล้ก็วิ่งตามไปได้แต่ก่อนแท็กเตอร์ตอนนั้นต้นตะขาบตอนนั้นที่ผ่านไปได้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 ความคิดความลังเลส่องใสความวิตกกังวลควา ม, ววามวโมงหงอนอนความคิดผงซ่อนมาน่าติติการมาลาคะปฏิคะเคยกินยังไงก็ค่อยห ล, ยลวว่นอหายระวัดอายสติล้ ว, วันไม่สุขสนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนมันสุขสนมาก็ถึงปุ๊บทันดีเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปุบ๊บตันทีเกิดความรักมาถึงปุบ๊บทั่นดีเกิดความช่างพอใจไม่พอใจ เพราะเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติทันทีเลยสงบลงก็ผ่านไปผ่านไปก็ง่ายเกินง่ายเกินง่ายที่จะรู้แล้วก็มัง่ายที่จะห ล, ลงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็ความรู้มีแต่รู้เฉยมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้ไม่เคยรู้จริงยริงตรงที่มันหลงเหมือนกับเราละโยงมันเจ็บ โอ๊มันอยู่ตรงนี้แก็ลูกยิงๆิงเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่อนลูกร้องให้แม่ผู้เลี้ยงลูกก็ดูเออเอาหูฟังท้องเอาแ้มมาสัมผัสกับท้องลูกเอาแก้มมาสัมผักกกมมสผกับหน้าตาตรงไหนมันร้อนนะไม่ร้อนนะท้องก็ยังดีอยู่นะร้องให้แบบนี้ไม่ใช่ปวดท้องแน่นอนร้องให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เจ็บป่วยดู ตัวยังปกติอยู่ขายังอุ่นตัวยังอุ่นพอดีพอดีไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปหัวก็พอดีอาจจะเป็นมดละมัง ก, กัดเปิดขาเปิดไ ป, ไปมาเห็นหมดตะนอยกัดลูกแม่ก็หยิบมดดอกโอ้ยมั่นใจแน่แนะน่นี่ทำให้เราลูกเจ็บโอ้ยมันพอใจเอามดตนอยออกจากลูกที่มันกัดลูกพอมดตะนอยออกก็ขมิ้นชันไม้ทา ลูกก็หายร้องแม่ก็ได้ผลเหรียญตรงนั้นด้วยเลี้ยงลูกหนึ่งคนได้เป็นยาตีลูกคนที่สองเป็นยาโทลูกคนที่สามเป็นยาเอกใช่ไหมเพราะอะไระพราะผลเหรียญการเลี้ยงลูกเวลาอะไรเกิดขึ้นเอามาให้กูเวลาคนอื่นร่วมลูกว่าลูกร้องให้แม่ก็เอามาให้กูเอามาให้กูพอแง่มาอุ้มลูกก็ดูลูกหัวลูกขาลูกก้นลูกาเอา กินจูยน้ยอนองร้องให้มาก็หายร้องนั่นเองไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงลูกไม่มีทางที่เป็นเหมื่นเวลาอันตัวเราแท้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ ย, อ, ย, ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ซุบไม่โนมันโชว์ให้เห็นอยู่เกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่สติ ถ้าเรามีสติเป็นเจนแล้ววัดแล้วอะไรมันไม่ใช่สติมันก็รู้ทันทีเอาสติไปดูไปแหลไปสร้างสติต่อไปเรื่อยอย่าไปสอนใหญ่การที่ประกอบความรู้มันมีพร้อมวัตถุปัจจัยต่างๆสามารถที่หาได้ทุกกรณีในการสร้างความรู้จากตัวนี้ว่าจะเกิดตัวเบาตัวลอยปีติขนพองสยองเขา้าขนลุกท่วมตัว อะไรก็ตื่นน่อยเกินไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลาพระตีระครังไปฉันเน่ยทั้งทั้งที่ตาเห็นอยู่ก็ตื่นตกใจตึ๊บส่นนี้อาวมันละลายมาเป็นนยอะไรอะไรอะไรห ไ, ไปถามแตงเขาไม่ใช่คําถามเขาทำในใจมีความรู้จ่วตัวมันระวังเกินไปมันก็ก็ตื่นง่ายก็เลยเป็นคนว่องไปจ่ะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันพยศ ไอะไรก็ตกใจเทียมคาดเทียมไถ่เทียเวียนก็ไมได้ก็เลยต้องขาดไปค่อยไปอย่างสุ ข, ขุมพัฒธรรมเนี่ยไม่ใช่ลี้ลับนะไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งมันสัมผัสมาได้เหมือนอะไรที่เขาสอนเรื่องลึกอลอับ เ, เห็นนั่นเห็นนี่ลึกลับไม่เห็นได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันลึกซึ้งเห็นได้ทุกคนที่มันเกิดกับตัวเอง เรียกว่าลึกซึ้งคำพิรภาพงดงามจาได้มันหลงก็รู้ชื่นใจเวลามันหลงเรามีความรู้มันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลามันทุกข์รู้ทุกตัวนะมันลึกซึ้งคำพิรภาพปอ้อนโยนไม่ใช่เฉิงกล้าวพระเจ้าตัดออกมาคำใดดูก่อนดูก่อนเพราะที่สุดเลยดูก่อนนนกรเลีนยนมิตรเล่นดีมิตร ด, ดีไม่ใช่ ธรรมด า, าพไปทั้งว่าถึงผลได้ดูก่อนนอนนอ์ดูก่อนดูก่อนประจวบชีดูก่อ น, อ น, จจอนพรามลึกซึ่งงดงามความเีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งเกล้าเกินไปเต่งเครียดเกินไปพอใจไม่พอใจมันแข่งเกล้าอย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัดประตูเหล็กเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหม หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อมัตามเขียนไว้เหมือนกันเปิดแล้วปิดทันทีเปิดแล้วปิดทัน ท, เ ท, นทีเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ปิดจริงๆเลยไม่เด็ดขาดอันนัที่โชกตโตเลยเปิดได้ปิดด้วยไม่เด็ดขาดเลยแล้วก็เลยปิดจักถีโอทูวัดไม่ปิดจักทีแต่เมื่ก่อนคนไปพ่อข้าธรรมมาซื้อขายจะไปพักที่ไหนไปบ้านนั่นไปพักบ้านญาติของพ่ อ, บ, อ, พอบ้านญาติของพ่อคือบ้านใครล่ะเอา้าวัดนั่นแหละ ญาติของโ่อคนพ่อข้าคนไปขาขายสิ่งขายของไปซื้อวัวซื้อไก่ยอ้ญาติพี่น้องก็ไปบ้านไปพักบ้านญาติพ่อคือไปพักที่วัดไม่มีอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าอะแต่ที่บางวัดเขาขึ้นป้ายนะถ้าญาติมาพักที่วัดนะค่าดามค่าไฟเอาแล้วสิบบาทยี่สิบบาทนอห้ามเขียนเด็ดขาดที่โุโกตูเพราะไปบ้านของเรา เป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมีเบิดกันอันที่มันเกิดอันที่นิมิตไม่มีทุกคนจะไปอยากมีอยากเป็นผลพองสองเขา้าตัวลอยขึ้นตัวเบาขึ้นการละหุตาจิตละหุตาเบาก็าไปเป็นผู้เบาบางทีไปกระโดดหน้าผาตายก็มีมันป่หลงตาไปเห็นไอ้คอนจารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ป่าที่ใดทําที่ใดเขาที่ใดชอบชอบเมื่อมองเห็นภูเขาคิดจากะไปไปนั่งยอดเขาสมัยเป็นหนุ่มนะตะเตกตรตะกายไปเลยเป็นยอดเขาโอ้น่าจะนั่งดีแท้ตอนนั้นก็พรากฏว่ามีผู้ไปนั่งก็ถามชาวบ้านนะมีพระตกหน้าผาตายไม่รู้สาเหตุหลังตาก็คิดดูสาเหตุแล้วหนึ่งพระหลวงนั่นบอกเบอบอกหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้าง อาจจะมีคนที่เสียประโยชน์เอาจับพระโยนลงหน้าผาตายไปก็ได้หรือว่าพระลบนั่นนำทาสมาธิเกิดนิมิตตัวเบาตัวลอยไม่มีน้ำหนักเลยจากหอจากผู้กนนี่ไปรูกนั่นมันก็พอไปถึงวันเดีวก็อาจจะเหาะไปวันดีก็โดดไปก็ตกหน้าผาตายเป็นไปได้มันเบาตัวเบากายมีเหมือนกันบางทีเดินจังกมเน่ เหมือนกับไม่ได้เหยียบเด่นเลยเบาไปเป็นผู้โบลโอ้ล้วก็ไปทุกขจนกับเรื่นั้นนะก็มารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอยากไปเป็นผู้โบลจึงเห็นมันรู้สึกตัวคืนนั่งลายตัวเองก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวโอ้ถ้าเรามากินข้าวอะไรจะเกิดเพื่อนเราก็มีเอา้าเพื่อนเราจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นวายเชิข้าวนะสองวันก็ไม่เห็นสามวันไม่เห็น แล้วไปไหนล่ะเอา้าไม่เห็นได้บอกไปไหนลำลาเราจะไปไหนต้องบอกกันทำไม่ได้อันนี้ไม่เห็นบอกต้องไปถามหาวุ่นวายกันพอไปถามหาเรามันเกิดเรื่องกันเราเสียเวลาทำให้เกิดปัญหาเจ่เพื่อนถ้าเราไม่ไปฉันเข้าก็มีปัญหาอย่างนี้แน่นอนถึงเวลาก็ไปฉันว่างให้เพื่อนเห็นหน้าทุกวันก็ยังดีถ้าจะไม่ไปให้เพื่อนเห็นหน้าก็บอกกันถ้าไม่มาย ฉันถ้าเกินเจ็ดวันไปดูด้วยวันที่ก็บอกะเพราะมันไม่หิวจริงๆน่ะไม่ได้ดอกเจ็ดวันมันต้องตายแล้วไม่กินข้าวเพื่อนก็ไม่ควรที่จะเป็นถึงเจ็ดวันถ้ามันฉันจริงวันหนึ่งก็พอไม่ต้องเจ็ดวันสองวันดอกก็แล้วอ๋อบทีก็เผื่อบ้างไม่ใช่เอาตามตัวเองที่มันปรากฏอะไรขึ้นมาไปตามอาการที่มันเกิดขนไม่ได้หลงไปแล้วหลงเป็นผู้ไปทางนั้นแล้ว มันหิวก็เป็นผู้ไหิวมันหิวก็เป็นผู้หิวมันหลงไปแล้วพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ปกติปกติได้บางทีมันอาจจะหน้าเนี่ยเหมือนกับน้ําลินลังบานใส่มันชื้นมันกัอมยิ้มไม่อยากจะยิ้มก็ยิ้มในใบหน้าสังเกตดูนะมันมีปิติมากทีเดียวมีความสุขมองอะไรนี่ยโอ้ยปิติไปทั้งหมดเลย เสียงมดเสียงมาแรงก็สนุกสนานเสียงสงบก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากมองอะไรเนีดีปิติทุกอย่างลืมหลับเริมนอนอิ่มอกยย่นใจตลอดเวลาเพราะเห็นรูปเห็นนามก็ปิติแล้วมีเหมือนกันก็อย่าไปค่องแวกกันเห็นเนี่ยก็เลยสรุปให้แบบกํามือเดียวเพียงแต่เห็นมันรูปมันเรียกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ย มันก็ลาบไปแล้วอะไรที่มันเข้าไปรู้เลยมันลาบไปลาบไปจะเป็นนิวรณธรรมปิติปัจจิจินตยานวิปัจจุบันจิเลตทั้งหลายมันจะลาบลงลาบลงอันที่เป็นราคาโทสะโมหะของโลกโกโลงก็ลาบลงไปก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ปกติมั่นคงก้าวนาบปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นกับขณะที่เราปฏิบัติ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 เป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งไม่เป็นอย่างหนึ่งมาเป็นกับพูดเดียวกันเราฟังเวลาที่เด็กขณะเดียวกันได้บทเรียนมากมายในการสรุปการอบรมการสอนธรรมะในภาคกาเผยแผ่ของกลุ่มเรานะสายหลวงพ่อเทียนจะมีวันร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติการมาเป็นอย่างไรผู้ที่ทํางานก็มาเล่าให้ฟังผู้ที่ให้ข้อมูลก็บอกเรา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 เดี๋ยวนี้นักสรนธรรมะเนี่ยพูดอย่างอย่างจํามาอ่านมาบางทีขยายลาพองออกไปในบ้านโน้นคนฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยขึ้นลำพองใหญ่สูงเข้าไปในบ้านต้อนหนวกหูชาวบ้านเขาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดไปโน่ไม่ได้พูดให้คนนั่งอยู่นี่นนก็ไม่ค่อยได้ผลวิธีปฏิบัติธรรมที่ให้ได้ผลคือเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาแสดงทุกวันทุกวัน ี่หลวงพ่อหลวงตาพูดนี่ก็ได้ข้อมูลอย่างนี้มาไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดเลยข้อมูลเกี่ยวกัรปฏิบัติเนี่ยพอที่จะรู้อย่างทุกๆุกอย่างในความผิดความถูกเวลาผู้ปฏิบัติทำจึงเป็นสากุลเป็นสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะสูตรของเจริญสติปัฏฐานจีเนี่ยเป็นสูตรที่สมมูลสมควรที่สุดลยเราจึงต้องฟังดูก่อน อย่าเอาความชอบเอาความไปชอบเป็นการตัดสินอย่ามาเชื่อเราคำพูดของเราวันนี้ท่านไม่มีก็อย่าเพิ่งปฏิเสธคำพูดของเราวันนี้ท่านเกิดเพ่นแก้ผหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ทําดูก่อนเอารู้ไปดูก่อนรู้ไปก่อนกลับมาลู่ตัวเองไปก่อนเดี๋ยวเมื่จะได้คําตอบอย่างชัดเจนเองอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธคือคุณค่าของสติสัมปชัญญะถ้าด่วนรับด่วนปฏิเสธไม่ใช่คุณค่าของสติสัมปชัญญะ เลยทีเดียวเราจึงศึกษาเนี่ยแยบคลายในการปฏิบัติแ ม, ม้จะละเอียดแม้จะละเอียดไม่หยาบคลายบางคนปฏิบัติแล้วสิบปียี่สิปียังหยาบคลายอยู่ยังหยาบคลายอยู่มันไม่ใช่ให้มันละเอียดก่อนเหมือนหลวงตาสอนพระให้ทำมานกวดบ้านใหดูสิรังอ๋องก็กวดบ้าน ก, กวดไม่เป็นไม่ดูทิศ ท, ทางลง ก, การระหว่างกวดไปมันทําให้ฝุ่นคลุ้ง มันก็ตกที่เก่าคือไม่ละเอียดไม่สุขุมไม่รอบครอบก็ไปบอกวิธีกวดว่านนะก็กวดโบราณนะว่ากลางคืนกวดเข้ากลางวันกวดออกโบราณพ่อแม่สอนลูกกลางคืนกวดเข้าไปบางทีแม่เย็บเข็มเย็บผ้าจะเพกวดออกแต่ว่ากวดไปไว้ที่ใดที่หนึ่งตอนเจ้ามาไปดูมาเห็นเข็มเข็มเดิมเดียวก็เสียดายนะคนโบราณแนละ ต, ตาเคยมีไม่ขีดไป แค่ไนานเล็กเล็กน้อยมันหลุดออกไปก็เสียดายคนทุกวันนี้ไม่เสียดายอนะไรทิ้งแค่นด้ช่างตีตะ ป, ปูเนี่ยดัดตะ ป, ปูไม่เป็นถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งแต่ก่อนโอ้ยตะ ป, ปูตกลงที่ น, น่นไปหาเหยียบย่าหาแค่ไหนหลวงพ่อกรมตะปูเนาะตีว่ามันหลุดลไปไหมบ่มไปหามาหาช่วยด้วยตะ ป, ปูมันเลนมาตรงนี้เหยียบย่าหาไม่เห็นตะ ป, ปูดอกนั่นแหละไม่ยอมหาจะได้ทุกวันได้เท่งกว้งวาง ซืมาสองลังตีได้ลังเดียวเ น, น่าดันทิ้งไปเลยตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดออกการกวดบ้านต้องระหว่างเอาไม้กวดเกิดมาอย่าให้มันแหลมกระทบมาจะปิวขึ้นมากวดไป เ, อ, เอิ่นๆใจมันะเอียดเอาตาอะไรเขียนไว้เวลามีงานล่างแก้วล่างใจด้วยล่างถ้วยล่างใจด้วยล่างชามล่างใจด้วยมันละเอียดต อ, อนมันป่านี้มาจากดงดกา ม, มา แม่เลี้ยงลกูกเวลาให้ลูกจะนมยี่ยมให้ลูกดูพูดใ บ, ใบ้เยี่มหัวพูดปากเบาปากเป่าลูกก็มองหน้าแม่เห็นหน้าไปเยี่ยมก็หัดเยี่ยมไปกับแม่ไอ้มันปลาเนตมันถึงจิดถึงใจมันเป็นการสัมผัสได้ในการสอนตัวเองสอนคนอื่นแม่จะเราจะช่วยคนตายก็เหมืกันเราต้องแสดงความเอาใจใส่แสดงความรัก แสดงไม่ปล่อยให้ว่าเว่ไม่ทำไรที่ทำให้คนป่วยเสียอกเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจอันนี้เราทำงาน ก, กันเราทำกับตัวเองก็บางคั้งบางที่ต้องสุขโผลกครอบชมพีรภาพเห็นความทุกข์จะปฏิเสธความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวเบงนี้อย่างนี้จะละเอียดละเอียดไปมันกวดบ้างกวสะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีก ละเอียดมันก็ละไปละไปบางทีก็พบเดียวได้ความโกรธโกรธทีเดียวไปได้เล ย, เ, ลยเพราะมันละเอียดความทุกข์ทุกทีเดียวไปได้เลยหวัยที่สุดเลยวัยกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยสาดความหลงก็ไม่ค่อยสาดจิตใจความทุกข์ไม่สาดจิตใจความโกรธไม่สาดจิตใจความโลภความหลงความรักความชังไม่สาดตั้ที่ยังค้างคางจิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลย จังมีปุูนไม่มีสิ่งที่เกาะ อ, อยู่เพราะฉะนั้นที่จะถึงมรรคถึงผลมันต้องเรียบนะถ้ามรรคผลนิพพานมันเหมือนกับสุกโตดีจะขึ้นมาดีได้เขาก็ต้องสร้างทางให้เรียบขึ้นมาปราบให้เรียบให้ลาดสักหน่อยไม่ใช่เป็นหน้าผาหากลำผ้าด้วยเขา่าการแบรบัตธรรมไม่ใช่เอาจเจองาจังสองวันสามวันหากลำผ้าด้วยเขา่ามันไม่หากตกลกขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้ ต้องให้มันเรียบก่อนอันแล้วควงชั่วยทางควมดีมันก็เหมือนกันเรงเรียบมันง่ายง่ายวิธีทำให้เรียบคือสตินี่แหละปาบเลยใบ ม, มีดรถแท็กเตอร์ปราบลงไปลู่มันลงไ ป, งไปรอบแล้วรอบเล่ารู่แล้วลู่เล่ามันก็ใช่แล้วเป็นทางไปแล้วลู่เท่าไหร่ก็เป็นทางไปที่นั้นร้อยร้อยอย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเนี้ยสารพัดสารเพ มีตัวลูกตัวเดียวไปเลยเราจะงานสบายมากให้มันผ่านได้สามารถผลได้ผ่านเหนือการเกิดเจริญตายมัต้องเรียบตรงเนี่ยตั้งแต่ต้นนี้ยไปคือรููไปลูกไปลูกแล้วไม่เป็นไม่ให้คน่าอะไรมันลูกก็ไม่คุณค่าวความรู้มันไม่ลูกก็ไม่คุณค่าวความร่รู้มันสุขก็ไม่คุณค่าวความสุขหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดิมเลย มันทุกข์ก็อย่าให้ข้าเป็นทุกข์มันหลงก็อยากใข้าความหลงใครมีตัวลูกมากกว่าเหนือคนข่าใดๆเลย ท, ทีเดียวการปฏิบัติธรรมเน่ยการเดินทางในทางนี้ไปจากความชั่วไปสู่วความดีถึงมรรคผลนิพพานทันทีเลยอย่าทําอะไรเป็นพิธีเป็นรูปแบบเฉยๆสมัยก่อนแม้แต่แพงกล่อมลูกก็ไปนิพพานได้นี่หลวงตาเนี่ยทำโห ว, วัฏธรรมที่วัดปู่เข้าทอง ว่าจะรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆไปเขียนไว้ติดฝากำลังจะปรึกษาอาจารย์ตู้อาจารย์ทรงศีลจะทำไงดีอย่างน้อยก็เพลงกล่องลูกไปเขียนไว้มีไหมญย่าโยมทั้งหลายมีไหมเพลงกล่อมลูกคนเจ็ดจีปีแปดจีปีคงมีนะคนสามจีปีนี่ไม่มีหรอกสมัยนี้มีไหมเนี่ยหลวงตานี่นก็เกิดมาในยุคได้ยินเสียงเพลงกล่องลูก อยากฟังไหมจะร้องให้ฟังนอนจะเลยา่ารับตาแ ม, ม่จีกงแม่ไปให้หมกไครมาหาแม่ไปหน้ามกปามาปนแม่ยังโมดโอ้เลื่นไปนอนเด้อล่ะรับตาแ ม, ม่จีก้องนอนดูผ่าสามว่าแม่เจ้าตำนอนดูไหม่สามป่องพ่อเจ้าสารเงี้บอแม่ไปให้หมกไครมาหาแม่ไปน้ามกปามาปน ไอยเรียงมอญอยู่ในป่าสวนมอญฉวนมอญเอยป้องใบเป็นก้านเออผู้อยู่บ้านปองเปลเป็นทางเออเออเออเราตาได้ยินไหมเรื่องไป ท, ไทําไร่ดนานเสียงแม่เสียงอะน้องสาวบันกอมหลานลูกพี่สาวลูกแม่จุดเนี่ยมันน่าจากผู้ดักผู้ใหญ่บัรกอมดังไปทั่วทุ่งเลยอ่าก็ตาเย็นก็จำเออเออขนทกหงจอมพ่นสมาเปียกน้อง วัดธงนองกวงกวงดินแห้งไงโพงะจงง ร, งระสง์สารกลางดงก็ว่าทงขี่ข้านแล้วกลางบ้านกว่าดดงเออแต่ฟังใตเขาก็แบบเออเอออาเท้านาลิเจกลางตะเลขีเพลงฝนตกไปตองป่าลองไม่ถึงไปถึงได้ต้งหมดบาปปุณเดยเออเออใช่ไหมอาจารย์พุทธธรรต้นมะพร้าวกลางสะ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 ปัดพวด้องควงควงเสาบ่แห่งดินตินแหงไงผงจอมพลคืออะไรคือผู้มีจิตใจสูงแล้วหลวงตาเทศจากนี้ไม่ง่วงเหงาหนอนใจมันสูงฟังอยู่เปียกไว้ได้เย็นไว้โอ้หลวงตาบอกว่ามันสุขก็โดนมันทุกข์ก็เห็นอยากเข้าไปเป็นมันเปียกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไปทําแล้วใช่ไหมปัดพวดร้องควงกวงเสาบ่อดินแหงไงผงจิตใจต่าําำ มัวแตคิดคุ้นคิดไปถึงโน่นถึงนี้ไปมันไม่สูงมันต่ำอยู่ไปรักไปชังใครอารมณ์ข้างมาจากไหนเหมือนน่ะมานบพบหกคนน่ะไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้ถาถรมครูอาจารย์ช่ให้ไปไปโต้ลองดูซิว่าสำนัสาขาไก้วงออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามาลูกแค่ไหนให้พวกเธอไปถามปัญหาส6บข้อเนี่ยข้อละคนน่ะไปถามดูซิ ถ้าคําถามนี้ตอบไม่ได้เราก็อย่าไปเคารพน้ำถือมาโนบเจบุคณนี่เลือกไปมีแต่ยอดยอดปัญญาเท่านั้นไปทวนถามปัญหาพระเจ้าบุคคลที่หนึ่งที่สองมาโนบคนที่หนึ่งที่สองที่สามพระเจ้าเฉลยไปได้หมดบุคคลที่สิบหกพอคําถามที่ทั้งหมดต่อมาแล้วคนที่สิบกน่ะก็ถามปัญหาตอบไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ปัญญาท่านเรียนมากจำไม่ได้ตั้งต่าง ปาบอกว่าคนที่สิบหกอะไม่บรรลุธรรมเลยทําไมไม่บรรลุธรรมอะมัวคิดถึงลุงลุงเป็นนักบวชอยู่กับอาจารย์โน่นห่วงลุงโอ้อยากให้ลุงมาฟังเด้ออยากให้ลุงมาฟังไปเลาะที่จุดเลยพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเลยคิดถึงลุงเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยมัวคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นเลยไม่ใส่ใจมันหนนะ่อยน่ะผู้หลักผู้ใหญ่แท้ เอาห้วยหนองเนี่ยหมายถึงแทนที่จะน้ำคงน้ําขังได้เลยไม่ขังสัหน่อยเลยเข้าหัวใช่ของหวัวไปเลยไม่เปียกเลยแห้งอยู่ใช่ไหมแห้งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะใจประสง์ส่างกลางดงกะวาดทงขี้ข้านแล้วกลางบ้านกะว่าดงเออเอเอถ้าใจประสง์ส่างแล้วไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยไม่กลัวอะไรในชีวิตเราเนี่ย สร้างสติมันง่ายมันจะยากขนาดไหนไม่เอามาอ้างเดี๋ยวก็โอ้ยยังไม่ลกูกไม่หลานไม่บ้านไม่ช่องมีพระละป่าดงอันนั้นแม้จะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็สร้างมันลงไปได้ว่าเห็นป่าก็ถือว่าทุ่งไปเลยไม่ที่ว่ายากเลยถ้าขี้เกียจที้ขั้นแล้วอมันง่าง่ายเนี้ยอันตัวลูกกับตัวหลงมันไม่ไม่เหมือนกันทุกกับตัวลูกมันก็ไม่เหมือนกันนะ ตัวรู้เป็นของง่ายง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่าตัวทุกข์ก็เป็นของง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่ามันง่ายมันเป็นทุ่งอยู่แล้วเราเรียกว่าดงมันไปยากนะของยากคิดเป็นของง่ายหรือว่าคนที่จิตใจต่ำหนะ่อยทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากหรือว่ากลางบ้านไ้แทะกับนึกว่าทุ่งไปโบราณของลูก ถ้าใครมีอะไรดีๆก็มาบอกด้วยจะไปเขียนว่าจะไปะรวบรวมวัฒธรรมคนโวราณกันเราไว้การทาให้ของวัฒธรรมเกนด่าให้คนรุ่นหลังเดี๋วรู้ว่าโอ้คนโบลาณเขทํอย่างนี้ขเขาเขียนอย่างนี้มีการสอนธรรมะตั้งแต่ก่อมลูกแล้วคูยกันมากในพานเนี่ยข้าวล่อนโ ล, นลกแอวเจนข้าวแม่บอกว่าให้เข้าในพานก่อนนะเข้าในพานก่อน บางทีหัดช่างขัดว่าแต่ช่างมันหมดประยโยชน์แ้วช่างไดบนิพานแล้วเย็นแล้วไม่มีพิษไม่ภัยแล้วมาไม่ประโยชน์สอนได้ก็ล่ะนิพานแล้วเย็นลงแล้วมีคําพูดกับนิพานในทุกๆอย่างที่เป็นความร้อนความปัญหาอันตรายนิพานนะคือความเย็นลงจนไม่มีพิษไม่ภัยนี่นะมันจะยากกันาดไหนอ่อนเย็นที่ใจที่ใจเราเนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนเหมือนลักพระรามไฟไหม้เมงลังกาไฟมันเกิดที่ได้ล่ะอยู่ที่หางอยู่ที่หางฮานุมานอานุมานต้องวิ่งไปเลยต้องคนดับไฟทั้งบ้านทั้งเมางเลยมันดับไม่ยากเพียงแต่บอกฮนุมานว่าเอาหางที่ไปลุกอยู่นะมาอมซะมันก็มอดทันทเลยคนเรา ก, กำคำทำเขียนทั่วบ้านทั่วเมางไม่อยู่ที่ใดอยู่ที่คนเราเอาบ้านดับมันจ้ะมันเย็นจะเย็นเดี๋ยวนี้ เขจะอยูย่เย็นเป็นจุกทุกท่วนน้าทุกคนนาะ